ทรงแต่งตั้งพระอ น, นุนเป็นครูสอนธรรมะต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอ น, นุนว่าอ น, นุนเธอจงไปสอนธรรมในตำหนักพระสนมของพระราชาท่านพระอ น, นุนถูกรับสนองพระพุทธดำรัสได้เข้าไปสอนธรรมณตำหนักพระสนมตามการอสมควรครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระอ น, นุนครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปถึงพระราชนิเวศ 496ร้อ้ครั้งนั้นพระเจ้าเปรตทธิโกศลประทับอยู่ในห้องบรรทมกับพระนางมลิกาเทวีพระนางมลิกาเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระอนนท์มาแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรีบลุกขึ้นพระภูษาทรงเกลี้ยงสีเหลืองจึงเลื่อนหลุดทีนั้นท่านพระอนน์จึงกลับแต่ไกลไปถึงอารามแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพล ท, ทนาว่า ขณะท่านพระอ น, นุนไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าจึงเข้าไปพระราชฐานชั้นในเล่าครรภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอ น, นุนโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอ น, นุนว่าอ น, นุนทราบว่าเธอไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าเข้าไปพระราชฐานชั้นในจริงหรือ